นถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้จะทนกับการรักษาสิ้นแปดไปได้ไม่นาน<ม>เพราะมันจะรู้สึกทรมานใจที่ไม่ได้เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นถ้าเราต้องการเสพความสุขในระดับที่สูงกว่าเทพเราต้องมีความเพียรพยายามมาก พอเรารักษาศีลแปดแล้วนี้เราต้องทุ่มเทเ ว, มเวลาของเราทั้งหมดนี้ให้ไปกับการทําใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าเราทําใจให้สงบไม่ได้เราจะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายใจเราจะทุกข์ใจเราจะฟุ้งซ่านใจเราจะหงุดหงิดจะว้าวเวเศ้าซ้อยง่อยเหงา ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนั่นเองเราต้องเอาชนะความทุกเหล่านี้ให้ได้ด้วยการทำใจให้สงบการที่เราจะทำใจให้สงบได้เราต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของใจเหมือนเบรกของรถยนต์ เบรกของรถยนต์นี้มีหน้าที่ไว้หยุดรถยนต์เวลารถยนต์วิ่งไปไหนแล้วเราต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วรถยนต์ก็ต้องหยุดฉันใดถ้าเราต้องการให้ใจเราหยุดคิดหยุดอยากเราก็ต้องมีเบรกหยุดมันเบรกก็คือสติสติก็คือ ให้สั่งให้ใจหยุดคิดถ้าเราสั่งให้ใจหยุดคิดแล้วมันไม่หยุดแสดงว่าเราไม่มีสติหรือสติมีน้อยเหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์แล้วเวลาเราต้องการให้รถหยุดเราเหยียบเบรคแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรคไม่มีเรื่องเบรคหมดหเวลาเบรคหมดนี้เราก็ต้องเอารถเข้าอู่เพื่อไปติดเบรคใหม่เบรคเก่ามันเสียเรื่มันหมดสภาพไป เราจะไม่กล้าขับรถไปไหนมาไหนโดยไม่มีเบรกเพราะเราต้องเราต้องหยุดรถตามเหตุการณ์ต่างๆเช่นถ้าเราไปติดรถรถข้างหน้าเขาหยุดเราก็ต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดเราก็ต้องไปชนท้ายเขาถ้าไปถึงสี่แยกไฟแดงเราก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดเดี๋ยวก็ไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่ง เวลาเราขับรถเราจึงต้องคอยดูว่าเรามีเบรกหรือไม่ถ้าไม่มีเบรกเราจะไม่ขับรถไปไหนมาไหนเราจะต้องเอารถไปเข้าอู่ก่อนเพื่อจะได้ไปติดเบรกเพื่อเพื่อการขับรถของเราไปไหนมาไหนจะได้ปลอดภัยใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะให้ความสุขความทุกข์กับเราได้ถ้ามีเบรกหรือไม่มีเบรกถ้าไม่มีเบรก ใจเราก็จะไปคิดอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะสร้างความทุกข์ความทรมานใจให้กับเราสร้างความหิวโหยให้กับเราถ้าเรามีเบรกเราก็จะหยุดมันได้ดังนั้นถ้าเราสั่งให้หยุดคิดไม่ได้เราก็แสดงว่าใจเราไม่มีเบรกหรือมีเบรกน้อยเราก็ต้องไปติดเบรกกันเข้าอู่กัน เวลาที่เรามาอยู่วัดมามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นเวลาที่เราเอาใจเรามาเข้าอู่ของใจมาติดเบรกของใจมาติดสติกันออวิธีที่จะทำให้ใจเรามีสติก็คือเราต้องมีอะไรผูกใจเอาไว้ให้ใจเราเกาะติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งออพระพุทธเจ้าทรงสแสดงออสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นที่ สร้างสติขึ้นมาได้เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบนะกรรมฐานสี่สิบก็คืออารมณ์หรือวัตถุที่จะให้ใจยึดติดไว้เพื่อจะได้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีกรรมฐานผูกติดไว้กับใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ กรรมฐานนี้ก็มีอยู่4ี่สิบชนิดเหมือนกับอาหารมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันแต่เวลาที่เราปฏิบัตินี้เราก็เลือกเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็พอไม่ต้องเอากรรมฐานทั้งสี่สิบชนิดเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราก็ไม่เอาอาหารสี่สิบชนิดมารับประทานเราก็เลือกอาหารที่พอ พอเหมาะพอถูกปากถูกใจเรามารับประทานก็พอรับประทานเพื่อให้ร่างกายอิ่มฉันใดเราก็เลือกกรรมฐานมาเพื่อทำให้ใจเราอิ่มทำจะให้ใจเราสงบทำให้ใจเราหยุดคิดกรรมฐานนี้ก็กลุ่มแรกนี้ก็ท่านเรียกว่าพุทธเรียกว่าอนุสติสิบมีอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติมรณานุสติกายกตาสติอนาปนาสตินี่คืออนุสติที่เราจะสามารถเอามาใช้เป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้เรามีกำลังหยุดความคิดต่างๆได้หยุดความอยากได้เราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะทำสลับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ภาวะของ ของของของชีวิตเราว่าเราอยู่ในช่วงไหนเรากําลังทําอะไรอยู่เช่นถ้าเรากําลังเคลื่อนไหวทํางานทําการอยู่เราก็สามารถใช้พุทธานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้หรือใช้กายกตาสติก็ได้ถ้าใช้พุทธานุสติเราก็ล้ำลึกถึงพุทโธพุทโธไป ถ้าทำมานุสติเราก็ละเลิกถึงธรรมโมธรรมโมไปถ้าสังขานุสติเราก็ละเลิกสังโคสังโคไปถ้ากายกตาสติเราก็ดูร่างกายไปว่ากําลังทำอะไรกำลังเดินก็เดินหนอกําลังยืนก็ยืนหนอกําลังนั่งก็นั่งหนอหรือไม่ต้องว่าหนอก็ได้ให้รู้เฉยๆรู้ว่ากําลังเดินรู้ว่ากําลังยืนรู้ว่ากําลังนั่ง ให้เฝ้าดูร่างกายในทุกเอเรียบทของการเคลื่อนไหวและของการกระทําถ้ากําลังอาบน้ําก็ให้รู้ว่ากําลังอาบน้ําอย่าให้ไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่คือการอาบน้ําเพียงอย่างเดียวถ้ากําลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าอยู่กับการแปรงฟันหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผม แต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าทำอาหารรับประทานอาหารทำอะไรก็ให้ใจมีไปคู่กับร่างกายทำคู่ไปกับร่างกายอย่าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่รับประทานอาหารแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แสดงว่าไม่มีสติแล้ว ถ้าเริ่มคิดแล้วแสดงว่าไม่มีสติถ้าอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่นี่เรียกว่ามีกายะกะตาสติถ้ามันอยากจะไปคิดแล้วไม่สามารถเกาะอยู่กับกายะกะตาสติอยู่กับกายได้เราก็ใช้พุทธานุสติมาช่วยก็ได้ใช้พุทโธพุทโธกําลังเดินมันก็ยังอดคิดไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้เช่นเวลาเดินจงกลมแทนที่อยู่การเดิน เดินก้าวเท้าซ้ายก้าเท้าขวากลับไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เราก็ต้องเอาพุทธานุสติมาดึงกลับมาเดินไปก้าวเท้าซ้ายก็ว่าพุทโธก้าวเท้าขวาก็ว่าก้าวเท้าขวาก็ว่าพุทโธเนี่การการใช้กรรมฐานกำกับใจจึงสามารถใช้หลายอันหรือเปลี่ยนอันได้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เรากำลังกระทําอยู่ แล้วขอให้ดูว่ามันหยุดความคิดได้หรือไม่ถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าใช้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่หรือวิธีนี้ใช้ได้แต่ว่ายังต้องรอเวลาหน่อยเพราะว่าความคิดอาจจะมีกำลังมากกว่ายังสู้มันไม่ได้ก็อดทนไปทำไปพุโทโธไป เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะเบาลงน้อยลงไปเองแล้วถ้าเรามานั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งอยู่ในท่าขัดสมานั่งสมาธิเราจะมาเปลี่ยนจากการดูล่างกายมาเป็นดูลมหายใจแทนก็ได้เพราะตอนนี้ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วไม่ได้ทาอะไรแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยนจากกายกตาสติมาเป็นอนาปณะสติดูลมหายใจเข้าออกพุทธเข้าหายใจเข้าหายใจออกจะใช้พุทธโธมาช่วยด้วยก็ได้หรือไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้าดูเฉยๆได้ก็ดูไปเฉยๆดูว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกลมสั้นลมยาวลมละเอียดลมหยาบ ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปควบคุมบางครอบลมไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกเล็ ก, ลกยาวๆวนี้ไม่ต้องอย่างนี้ไม่ได้เป็นการภาวนาไม่ได้เป็นการตั้งสติเป็นการไปสั่งให้ร่างกายทํางานแล้วเราต้องการปล่อยร่างกายไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกายเพียงแต่ให้ดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นตอนนี้ร่างกายกําลังหายใจก็ให้ดูไป ดูว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหรือหายใจละเอียดหรือหายใจจนหายไปเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ก็ให้ดูดูเฉยๆว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจให้รู้เฉยๆเท่านั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้ายังรู้อยู่ยังดูอยู่ร่างกายไม่เป็นอะไร ลมอาจจะละเอียดจนไม่สามารถรับรู้ได้เท่านั้นเองแต่ไม่ตายไม่ต้องตกใจให้ดูไปเฉยๆแล้วจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปเวลาจิตรวมก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อหรือวุบลงไปวุบแล้วก็เบาสบายน่างกายก็หายไปจากความรู้สึกก็ได้หรือยังมีอยู่ก็ได้แต่จะไม่มาสร้างความลำคาญใจต่อไป ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ลำคาญใจเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าสงบแล้วก็อย่าไปทำอะไรใช้สติดูไปรักษาไปคอยป้องกันอย่าให้คิดถ้าคิดก็หยุดมันเพราะถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวความสงบนี้ก็จะหมดไปถ้ามันจะคิดเราก็หยุดมัน หยุดมันด้วยสติถ้ามีสติแล้วพอรู้ว่าคิดตรงนั้นมันก็หยุดแล้วถ้าสติหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธต่อไปหรือถ้ายังมีลมดูลมได้ก็ดูลมต่อไป <Yeah. S 1> เวลานั่งสงบแล้วอย่าไปพิจารณา ร, รมอย่าไปพิจารณาทางปัญญาอันนี้ยังไม่ใช่เวลา uh huh. เวลานั่งสมาธิเป็นเวลาสร้างกําลังใจสร้างความสงบสร้างอุเบกขา สร้างความนิ่งเพราะความนิ่งนี่แหละที่จะเป็นตัวที่ไปสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าเราทำใจให้นิ่งได้ความอยากสู้เราไม่ได้เพราะตอนที่ใจนิ่งนี้ใจความอยากหยุดทำงานทันทีตอนที่อยู่ในสมาธินี้ความอยากทำงานไม่ได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วใจก็จะเริ่มคิดแล้วถ้าเราไม่ควบคุมความคิดหรือกาลัง สู้ความอยากไม่ได้เดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วความอยากก็จะเดึงให้เราไปหาความทุกข์ต่อไปตอนนั้นน่ะถึงจะต้องใช้การพิจารณาทางปัญญาให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามัน มันไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้บังคับให้มันเที่ยงไม่ได้บังคับให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้ามันจากเราไปเราก็จะทุกข์ได้อะไรมาเราดีใจมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มากับคนที่เราได้มาพอสิ่งที่เราได้มาหรือคนที่เราได้มาจากเราไป ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นละคนนั้นก็หายไปทันทีนี่ให้พิจารณาตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าจิตมีสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาสอนว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะเป็นการไปหาความทุกข์ใจก็จะหยุดความอยากได้ไม่ไปกระทําตามความอยากได้อยู่เฉยๆได้สักแต่ว่ารู้ได้ อันนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ขั้นโลกุตตะธรรมขั้นนั่งสมาธินี้เรายังอยู่ในขั้นโลกิยะธรรมอยู่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ใช้สติกดความอยากไว้แต่เรายังไม่ได้ทำลายความอยากพอเราไม่สงบเมื่อไหร่ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วสามารถดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปได้ แต่ถ้าเราเข้าสู่ขั้นปัญญาเราจะเริ่มกำจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาทำลายความอยากพอเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้ทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็จะไม่ทำตามความอยากนั้นความอยากนั้นก็จะไม่มีกำลังที่จะมาดึงให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อไปแต่ความอยากมันมีหลายตัวเราก็ต้องคอยฆ่ามันไป มันตัวไหนโผลมาเราก็ฆ่ามันไปด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันไ ม, เไม่เราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดนี่เป็นขั้นสู่ขั้นโล ก, กุตตะขั้นที่จะทาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะเป็นอยู่ในขั้นของการทาลายความอยาก ที่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีสมาธิก่อนหลังจากที่เรานั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาตอนนั้นเราต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากก็ต้องเห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสิ่งที่เราคนที่เราอยากได้นั้นมันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าเราเห็นคนที่เราอยากได้มาเป็นแฟนนี้น่าเกลียดหน้ากลัว เป็นผีเราก็จะไม่อยากได้เขามาร่างกายของเขาคนที่เราอยากได้มาเป็นคู่รักคู่ครองเราวันดีคืนดีเขาไม่หายใจขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเราจะอยู่กับเขาต่อไปได้หรือเปล่าเวลาที่เขาไม่หายใจแล้วเราก็ยกให้สับปเปลือกไปให้คิดถึงเวลาเขาตายเวลาอยากจะได้ใครมาเป็นแฟนใหน้นึกถึงเวลาที่เขาตายแล้วว่าเขายัางน่ารักอยู่หรือเปล่า หน้าดูหน้าชมอยู่หรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าเขาจะต้องตายและเวลาเขาตายเราก็จะไม่ต้องการเขาเราก็จะได้ไม่ไปอยากมีเขาเพราะเวลาเขาตายเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่าง ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะตัดภพตัดชาติกับตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปได้ตามลําดับเนี่ ย, ยการตัดการบรรลุโลกุตละธรรมจึงแบ่งไว้เป็น4ขั้นด้วยกั น, นขั้นที่หนึ่งขั้นโสดาบานันนี้จะตัดภพตัดชาติให้เหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติและไม่ต้องไปเกิดในอบายโดยเด็ดขาดน เพราะพระสโสดาบันนี้รักษาศีลได้ตลอดเวลาจะไม่มีวันทาบาปอีกต่อไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าขยับขึ้นขั้นที่สองได้ขั้นสกิดาคามีก็จะตัดการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหลือเพียงชาติเดียวครั้งเดียวสมมติถ้าชาตินี้ตายไปเป็นพระสกิดาคามีความอยากที่จะ เสพกามยังมีอยู่แต่มีน้อยมากใกล้จะหมดแล้วก็กลับมาเกิดเพียงชาติสุดท้ายเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายแล้วก็มากำจัดความอยากที่จะเสพกามไปได้หมดเสพโลภเสียงเกินลดพลทพะได้หมดก็จะไม่ต้องกลับก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะจะได้บรรลุปเป็นพระอริย ขั้นที่สามคือพระ อ, อนาคามีเออพระอนาคามีนี้กำจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้หมดกำจัดกามารมณ์ต่างๆได้หมดการมาราคะไม่หิวโหวยไม่อยากมีแฟนไม่อยากร่วมหลับนอนกับใครเพราะเห็นตลอดเวลาว่าแฟนนี้จะเป็นผีดีๆนี่เองเป็นผีที่ยังเดินได้ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ยกให้วัดให้สับปเปล่าไปทันที นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อตัดภพตัดชาติเพื่อบรรลุถึงโล ก, กุตละธรรมที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันสามขั้นแรกนี้ได้เกิดได้จากการที่ทำลายความอยากที่จะเสพกามในรูปแบบต่างๆเสพความอยากต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายโสมดาบันก็ตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พระสกิรดาคามีก็ลดความอยากที่จะมีแฟนได้พระอนาคามีก็ตัดความอยากที่จะมีแฟนได้อย่างถาวรอยู่คนเดียวได้นอนคนเดียวได้ไม่ต้องมีหมอนข้างมานอนมากอดด้วยแล้วก็ขั้นต่อไปคือขั้นที่สีก็คือขั้นพระอหรหันต์พระอนาคามีนี้ถ้าตายไปก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่ไม่เสื่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้จากการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ใจก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่พอกําลังของสมาธิหมดไปใจก็จะตกจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็กลับมาทำบุญทาทานรักษาศีลใหม่นั่งสมาธิใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชัน้นพรหมได้แต่ก็จะต้องเสื่อมลงมาเพราะเป็นการเป็นการกดความอยากไว้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นการทำลายความอยากติตนี้กดความอยากไว้ไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสฆ่าความอยากได้ ต้องมีปัญญาแลนะปัญญานี้นานๆจะมีผู้รู้กันสักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้รู้ว่าอะไรที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเหล่านี้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากกันอยู่ในปัจจบุบันนี้ความอยากได้นั่นได้นี่อยากมีนั่นมีนี่เช่อนอยากได้ลาบยศสระเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกมิือกายและความอยากไม่ได้ไม่ไม่เสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไม่อยากเสียลาบยศเสริญไม่อยากเสียร่างกายไปความอยากเหล่านี้นะที่ทําให้ใจต้องดิ้นอยู่ไม่นิ่งต้องดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างกายอันนี้ไม่มีก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาไม่มีเงินก็ต้องดิ้นไปหาเงินเวลาไม่มี ตำแหน่งก็วิ่งหาตำแหน่งกัน เ, เวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นร้อก็ต้องวิ่งหากันใจก็เลยต้องวิ่งต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ต้องไปหาร่างกายมาก่อนต้องไปเกิดก่อนพอได้ร่างกายแล้วพอมาเกิดแล้วถึงจะมาหาลาบยศ ส, สรเสิญได้หาได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไป นี่ก็เรียกว่าอยู่ในโลกียะแต่ถ้าเราหาโดยที่ไม่ทำบาปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราหาด้วยการทำบาปเพราะเราขี้เกียจไม่ไปเรียนหนังสือไม่ไปทำงานพออยากจะได้อะไรก็ไปขโมยเขาไปป้นไปจี้เงินทองของผู้อื่นมาเพื่อจะได้เอาไปใช้อย่างนี้ก็ทำตามความอยากด้วยการทำบาปมันก็จะมีโทษตามมาอีก ตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอีกแต่ถ้าเราทำมาหากินทำหาอะไรต่างๆตามความอยากของเราด้วยการไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ตายไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าเราได้ทำบุญใจเราก็จะกลายเป็นเทพ เป็นพรหมไปถ้าทาบุญก็เป็นเทพถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบก็เป็นพรหมแล้วตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมก่อนก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไม่สามารถหยุดการกลับมาเกิดได้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปสู่ขั้นโลกุตตะธรรมคือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาการที่เราจะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาได้ก็ต้องมีคนสอน ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีใครสอนเราเรื่องเรื่องของโลกุตตรธรรมเรื่องของการหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาพบความจรงิงอันนี้มาตัดสัรื่ความจรงิงอันนี้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โล่านี้เกิดจากตันหาทั้งสามนี้เองคือกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา ถ้าอยากที่จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้การจะหยุดได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราบังคับมันให้เที่ยงบังคับให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้หรือสิ่งคนที่เราอยากได้มาเป็นแฟนก็ไม่สวยงามสวยอยู่เฉพาะตอนที่มีลมหายใจ พอไม่มีลมหายใจก็กลายเป็นซากศพไปถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามมันก็จะไม่อยากจะมีแฟนเล้วเลิกมีแฟนได้ดูเข้าไปข้างในบ้างก็ได้อย่าดูเพียงแต่ข้างนอกข้างนอกดูสวยงามแต่ภายใต้ผิวหนังก็ภายในไม่มีอะไรสวยงามเลยโครงกระดูกนี่ไม่สวยงาม ปอดหัวใจตับไตลำไส้ไส้ลำไ ส, ส, ำส้น้อยลำไส้ใหญ่สมองศรีรษะของเหล่านี้ดูแล้วมันไม่น่ารักหน้าเอ็นดูเลยหน่าเกลียดหน้ากลัวมากกว่าแต่เราถ้าเราไม่พิจารณาอสุภะเราก็จะมองไม่เห็นกันเราจึงต้องเจริญปัญญาถ้าเราอยากจะตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด มองเห็นอะไรเราอยากได้มองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราได้ชั่วคราวเท่านั้นเป็นของเราไปได้ไม่ตลอดวันดีเกินดีมันก็ต้องจากเราไปอันนี้ก็คือขั้นโล ก, กุตละธรรมขั้นที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะมีขั้นนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงอันนี้แล้วนำเอาความจริงอันนี้มาสอนพอมาสอนปั๊บคนที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ก็สามารถหยุดได้เลยคนที่จะมีกำลังหยุดความอยากได้ก็คือคนที่มีสมาธิแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่มีสมาธิยังหยุดความคิดหยุดความอยากไม่ได้ก็จะไม่สามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากได้ แต่คนที่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่หยุดความอยากเวลาออกจากสมาธิมาก็อยากดื่มกาแฟก็จะไปดื่มอยากดูอะไรก็จะเอาไปดูต่ออยากจะกินอะไรอยากจะทำอะไรก็จะไปทําต่อเพราะไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย อยากความรู้อันนี้จะรู้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้ค้นพบแล้วก็มาสั่งมาสอนพวกที่มีพวกที่เป็นนักบวชสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆนี่มีพวกนักบวชเยอะที่มีสมาธิกันแต่ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพอพระพุทธเจ้าตัดสรู้ปับ๊บ แล้วมาสอนพวกนักบวชว่าอย่าไปทำตามความอยากนะความอยากนี้จะพาให้พวกเธอกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เ, เขาก็หยุดความอยากได้ทันทีอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาก็หยุดได้ใจเขาก็เลยไม่ทุกข์กับร่างกายไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายอีกต่อไปเขาก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเ็าอยากเสพกามเขาก็พิจารณาอสุภะไปเห็นร่างกายไม่สวยไม่งาม ปีอาการสาสบสองภายใต้ผิวหนังนี้ไม่น่าดูน่าชมแล้วเวลาตายไปก็น่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนตายรักกันขนาดไหนก็ไม่เก็บเอาไว้ในบ้านแล้วพอไม่มีลมหายใจก็ยกให้สับปเปล่าไปยกให้วัดไปต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะสามารถทำลายความอยากให้หมดไป ความอยากที่จะมาดึงให้ใจไปเวียนไหวตายเกิดความรู้วันนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะปฏิบัติได้ไปแค่ขั้นโลกิยะธรรมคือขั้นพรห ม, มโลกทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่กำลังของ สมาธิที่ส่งไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมมันก็เสื่อมได้พอมันเสื่อมมันก็กลับลงมาเกิดในกลับมาอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็อยากสวรรค์ชั้นเทพก็ลงมาอยู่สวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่มาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็ต้องมาทำบุญรักษาศีล น, นั่งสมาธิกันใหม่ถ้าขี้เกียจไม่ทำบุญไม่รักษาศีลก็เดี๋ยวก็ตายไปก็จะต้องไปอบาย ชักขี้เกียจไม่รักษาศีลชอบทําบาปชอบเสพอ บ, บายอมุกชอบเที่ยวชอบกินชอบเล่นไม่ชอบทํางานหากินเดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปทําบาปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายต่อไปถ้าไม่อยากจะมาเสี่ยงกับการที่จะต้องมาเกิดในอบายหรือถ้าไม่อยากจะกลับมาต้องมาทําบุญต้องมารักษาศีลต้องมานั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาก็ให้ จเจริญปัญญากันเถิดพิจารณาไตารักอยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆแต่ต้องพิจารณาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิตอนในที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาตอนที่อยู่ในสมาธิเป็นเวลาที่เราจะทำใจให้นิ่งให้สงบให้นานที่สุดเพราะยิ่งนานได้เราจะมีกำลังมากที่จะสู้กับความอยากได้แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วนี้พิจารณาทางปัญญาไปได้เลย พิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพิจารณาว่าร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่สวยไม่งามสวยงามเฉพาะเวลาที่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองสวยงามเฉพาะส่วนนอกเท่านั้นเองแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามเหมือนไส้กรอกไส้กรอกดูข้างนอกก็สวยพอแกะเข้าไปก็จะเห็นข้างในเละเทะไปหมด อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้ามองข้างหน้าก็ดูว่าสวยว่างามพอมองเข้าไปข้างในแล้วเห็นเป็นของที่น้าไม่น่าดูไปเห็นโครงกระดูกเห็นกะโหลกศีรษะเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นสมองเห็นน้ําต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆเต็มไปหมดเห็นแล้วก็จะทําให้คลายความอยากได้คลายกามลลมได้ ไม่อยากจะเสกกาไม่อยากจะมีแฟนได้นี่คือเรื่องที่เราจะไม่รู้กันมาก่อนเรื่องของการเรื่องของโลกุตตะระธรรมเรื่องของการหลุดพ้นเรื่องของปัญญานี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุเราถึงจะรู้กันได้สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสร่งนี้พวกที่ปฏิบัตินี้เขาก็ไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรมกัน แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุล่มาสอนว่าให้ทำลายความอยากพวกที่ติดอยู่สวรรค์ชั้นผมก็ขึ้นไปสู่ชั้นโลกุตละกันได้เลยทันทีพังรมปั๊บก็บรรลุได้เลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกก็มีพระอัญญาณกนทั ญ, ญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ า, าสิ่งต่างๆเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นร่างกาย ก็เลยตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ตัดพบชาติให้เหลือเพียงเจ็ดชาติได้นอันนี้เป็นเพราะว่าเขามีกำลังของสมาธิแล้วพอเขาฟังทำเขาก็เข้าใจเขาก็หยุดความอยากได้ทันทีเนเขาเคยกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลัวก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นเองอพอยอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตา ย, ตายได้ก็จะไม่ทุกข์เกต่อไปนี่คือโลกุตตะลธรรมจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอน พวกเราโชคดีเรามาเกิดในยุคที่มีโล ก, กุตละธรรมกันแต่โล ก, กุตละธรรมนี้จะอยู่ในโลกนี้ไปอีกไม่นานพระพุทธเจ้าท ำ, ทำนายว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่กับโลกไปไม่เกินห้าพันปีนี่ก็มาเกิดหนึง่งแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วต่อไปก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปพอสองพันห้าร้อยกว่าปีกว่ปีก็จะไม่มีใครรู้จักอั น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใคร คิดถึงอสุภะกันอีกต่อไปเพราะมีแต่อยากจะคิดถึงแต่รูปร่างที่สวยๆงามๆทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่สวยซ่อนอยูข่ข้างใต้ก็มองไม่เห็นกันเพราะไม่คิดถึงกันอย่างสมัยนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วคนในเด๋ยวนี้ทุ่มเทไปกับการเสริมความงามกันทุกรูปแบบเลยไม่เคยคิดถึงอสุภะที่มีอยู่ในตัวของตัวเองเลยืในตัวของคนอื่นเลย แล้วต่อไปจะไม่มีใครคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เลยใครไปคิดก็หาว่าบ้าเท่านั้นเองนี่แหละคือการการที่โลกตุระธรรมหรือปัญญานี้จะถูกหายไปเพราะคนไม่สนใจคนกลับเห็นว่าเป็นเรื่องของคนบ้าที่ชอบไปดูเรื่องของความตายชอบไปดูเรื่องของความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ต่อไปจะไม่มีใครอยากจะคิดถึงเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของอสุภะถ้าไม่คิดโลกุตรธรรมก็หมดไปหายไปเพราะจะไม่มีใครมาสอนต่อไม่มีใครเรียนไม่มีใครสอนต่อไปก็ไม่มีใครรู้ว่าโลกุตรธรรมนี้เป็นอย่างไรไม่รู้ว่าก็มาเกิดแก่เจ็บตายกันได้อย่างไรก็เลยจะยต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาปรากฏ แล้วมาสั่งสอนใหม่นี่คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทําให้เราได้พบกับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาคือโลกียประโยชน์ก่อนขั้นแรกก็โลกียะประโยชน์ทําบุญรักษาศีลไปตายไปก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นเทพหรือนั่งสมาธิได้ก็ไปสวรรค์ชั้นผมแล้วถ้า จเจริญปัญญาได้มองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัวก็ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเพื่อ น, นําเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์ ไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆแล้วไม่ไปปฏิบัติไม่ไปพิสูจน์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ดังนั้นขอให้ท่านจะมีศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติให้ได้ตามที่ท่านสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติให้เต็มร้อยถ้าปฏิบัติได้เต็มร้อยผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวารีวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกัรปติอิทธิตังปัทิตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอะราโสยทาเมณิโชติอะราโสยทาสพภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโรธรรมวัฏฐานติ อายุวโนสุขังภาลัาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยถามได้ไปจนถึงเลิกประชุมแต่พอเราเลิกแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครไม่อยากจะขึ้นมาถามตรงนี้ก็เขียน ส่งข้อความขึ้นมาถามก็ได้วันนี้ทางเฟซบุ๊กยูทูบเท่าไหร่นะวันนี้เฟ e บุ๊กสูงสุดสามร้อยสี่สิบเก้าค่ะยูทูบหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะในไลนออฟิเชียลมีสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะเดี๋ยวก็ลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หยุด ใครมีคำถามทางบ้านเข้ามาหรือยังมีแล้วค่ ะ, ะคำถามจากคุณนะัทคนที่จะได้บวชตลอดชีวิตเคยทำบาปม า, มากต้องสะสมบุญก่อนบวชไหมครับก็ต้องมีกำลังที่จะบวชต้องมีศรัทธามีความภาคเพียรแล้วก็มีปัญญาหรือว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการบวช คำถามจากคุณธนภัเวลานั่งสมาธิจนลมหายใจหายไปเหมือนคนหลับแล้วจะพัฒนาต่ออย่างไรคะเออก็ถ้ามันไม่หลับก็ให้มันอยู่นิ่งๆไปนานๆถ้ามันหลับก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะนั่งหลับนั่งสมาธิแต่นั่งหลับก็เหมือนกัรหลับไม่ได้ไประโยชน์จากการนั่งแบบนั้น ต้องนั่งแบบตื่นแต่สงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งมีความสุขมีอุเบกขาใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หยุดความอยากได้ถ้าได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ใจที่มีกำลังนี้ไปสู้กับความอยากอยากดื่มกาแฟก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นทุกข์พอเวลาเดิมแล้วติดเวลาติดแล้วเวลาไม่มีเดิมก็จะทุกข์ คิดอย่างนี้เราต่อไปก็จะได้ไม่อยากจะเดื่มเวลาอยากจะมีแฟนก็ดูร่างกายของแฟนว่ามันสวยงามหรือไม่ดูตับไตไส้พุงเขาบ้างอย่าดูแต่หน้าอยู่แต่แต่คิ้วแต่ตาแต่ปากดูลำไส้บ้างดูปอดดูหัวใจบ้างมันจะได้หยุดความอยากได้อันนี้คือปัญญาถ้าอยากจะก้าวหน้าพอได้สมาธิแล้วก็ต้องไปทางปัญญา สลับกับการกลับเข้าไปในสมาธิสมาธินี้ทิ้งไม่ได้ถึงแม้จะออกไปทางปัญญาถ้าออกไปทางปัญญาแล้วเดี๋ยวจิตมันน้อนมันฟุ้งก็ต้องหยุดกลับมาสมาธิทําให้มันเย็นทําให้มันนิ่งก่อนพอมันนิ่งมันสงบแล้วก็ออกไปทางปัญญาใหม่ออกไปสู้กับความอยากใหม่คําถามจากผู้ฝากถาม ได้ถือศีลแปดแต่ยังนอนกับหมอนข้างจะต้องกลับขอขมาแล้วอารธาธนาศีลแปดใหม่หรือเปล่าครับก็ไม่ต้องค่ะโยนหมอนข้างทิ้งไปแล้วเก็บไว้ที่อื่น you know. <laughs> เวลาถือศีลแปดก็อย่าไป ม, มีหมอนข้างนั่นเองเราทําไปเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมันก็ทําให้เรายังติดอยู่ถึงแม้ว่าไม่เป็นคนก็ยังเป็น <laughs> เป็นหมอน <laughs> ติดหมอนคําถามจากคุณพี ถ้าการกระทำการพูดคุยกับคนที่คุ้นเคยพูดคุยเป็นประจำถ้าวันไหนไม่ได้พูดคุยก็จะรู้สึกมีความร้อนขุ่นในใจขึ้นมาเห็นโทษของความรู้สึกนี้บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาจะแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องต้องต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยการที่เราไปติดคนนั้นคนนี้เพราะเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาพอเวลาเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาเราก็ทุกข์ เราก็ต้องเห็นว่านี่เพราะเขาไม่เที่ยงเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามสอนใจเราอย่าไปติดกับอะไรเราก็พยายามบังคับใจให้หยุดคิดถึงคนนั้นใ้พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดยิ่งคิดมันก็จะยิ่งทุกข์ถ้าเรามีพุโทโธเราสามารถหยุดความคิดถึงเขาได้ต่อไปความคิดถึงเขาก็จะหมดไปเอง คำถามจากคุณนิดาหากเราทำงานดีแล้วตามหน้าที่แต่ผู้ใหญ่กับไม่ชอบเรามองไม่เห็นความตั้งใจของเราบางครั้งรู้สึกทอ้อแต่ก็ยังทำหน้าที่ต่อไปไม่ใช่ความรู้สึกในการทำงานค่ะสิ่งนี้เป็นกรรมอะไรคะควรปฏิบัติตนในแนวในแนวทางไหนคะเพราะว่าเราทำแล้วเราต้องการผลตอบแทนนั่นเองความอยากอยากได้ผลตอบแทนอยากให้คนเขาเห็นความดีของเรา อย่าให้เขาให้รางวัลเราสรรเสริญเราอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกเป็นกิเลสควรจะทำงานตามหน้าที่ของเราแล้วก็มีความสุขกับงานผลงานที่เราทําก็พอถ้าเราทําดีผลงานออกมาดีเราก็พอใจแล้วอย่าไปหวังของอย่างอื่นจากผู้อื่นเพราะว่ามันไม่แน่นอนคนอื่นบางคนเขาอาจจะเห็นด้วยอาจจะไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ชมเรา เขาเห็นด้วยเขาก็อาจจะชมเราหรือบางคนเขาไม่รู้ว่าเราทำงานนี้มาเขาก็จะไม่ได้มาแสดงความยินดีให้กับเราดัางั้นถ้าเราไปหวังกับความผลตอบแทนเรานั้นเราจะเสียใจได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราดูผลดูผลของการกระทำของเราแล้วเราก็พอใจกับผลที่เราทำเราก็มีความสุขได้เราทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนหลายคนทำให้ชีวิตของคนอื่นเขาดีขึ้นอย่างนี้เราก็พอใจแล้ว มีความสุขได้นะนี่คือสิ่งที่เราควรจะมองมากกว่าคือมองว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ให้ถูกต้องแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ถือว่าเราได้ทำบุญทํากุศลเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องรองให้ใครม า, ามายกย่องสรรเสริญมาให้รางวีรางวัลกับเรา สวัสดีครับราาอาจารย์มีคำถามนิดหน่อยครับอพอดีถ้าสมมติว่าจิตสุดท้ายเราก่อนที่จะละโลกนี้ไปเนี่ยเราควรจะวางให้มันอยู่ตรงจุดไหนดีครับราาอาจารย์จิตสุดท้ายมันก็เกิดจากการที่เราได้ฝึกฝนจิตเราในปัจจุบนนันเนี้เพะเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้ใช่ไหมมันจะตายตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะตายเังั้นถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตมาถึงจุดไหนมันก็จะเป็นอย่างนั้นในจุดตอนที่เราตาย มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เช่นเราทำดีมาตลอดพอจิตสุดท้ายเราจะไปคิดทาบาเนี่ก็คงอยาเป็นไปไม่ได้เราทำบาสมาตลอดแล้วจิตสุดท้ายจะเปลี่ยนให้เราไปคิดทาบุญทำไมทำไม่ได้เรื่เราต้องทำอย่างใดไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็จะเป็นจิตสุดท้ายของเราต่อไปอแล้วถ้าสมมติว่าร่างกายเราอยู่ในแบบร่างกายเวทนาย่างเงี้ยสป่วยหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ย เราจะควรวางใจแบบให้ให้รู้ก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่างอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าไปอยากให้ไม่ตายเพราะถ้าเกิดความอยากนี้เรามันจะสร้างความทรมานใจสร้างความทุกข์ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเป็นธรรมดาลวงพ้นไม่ได้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาไปก็ไปดีไปด้วยความสงบ ถ้าไม่พิจารณาเวลาแก่เวลาเจ็บจะตายนี่มันจะทุกข์เพราะมันจะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็จะไปไม่ดียนงงั้นต้องฝึกทําไว้ตั้งแต่เรายัางไม่ตายมันพิจารณาซ้อมส อ, อนใจอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสอนให้พิจารณาอยู่เนือ ง, งว่าเราเกิดมาแล้วต้องมิแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ะ ต้องพัดพากจากกาันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการพัดพากจากกาันไปไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆใจเราก็จะคล้อยตามจะเห็นตามแล้วก็จะไม่ฝืนความจริงก็จะสงบความไม่สงบเกิดจากความฝืนอยากจะให้ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีคำถามจากผู้ฝากถาม บางครั้งอยากได้อะไรพอได้มาก็เฉยๆจนคนที่เขาให้เขาไม่พอใจเรากราบขอคำแนะนำด้วยค่ะเออถ้าเราอยายกให้เขาพอใจเราแล้วก็ต้องขอบคุณเขายิ้มแย้มแจ่มใสเล่นละครหน่อยอเขาจะได้อยากจะให้เราอยู่เรื่อยๆถ้าเขาให้เราแล้วเราไม่แยแสพอเาัารับมาปั๊บก็โยนทิ้งเขาก็จะไม่ใหเ้เราอีกต่อไปอบางทีมันเรื่องของโลกบางทีก็ต้องเอาใจเขาบ้างพราเขา เขาหวังดีกับเราก็าอยากให้เรามีความสุขเนี่ยเราก็ต้องแสดงอาการว่าเราสุขให้กับเขาไปเขาจะได้ไม่ท้อแทะเบื่อเบื่อหนในการทําความดีเนี่ยการนี้ไม่ได้เป็นการโกหกกันเป็นการแสดงอนุโมทนาแสดงความยินดีให้กับเขาว่าเขาได้ทําความดีเข้าได้เสียสละคําถามจากคุณก๋วยเตี๋ยวเรือท้าดวนกายาคตาสติ กับอสุภะแตกต่างกันอย่างไรครับกายกตาสติก็เพียงแต่ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวต่างๆดูการกระทําของร่างกายว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังรับประทานอาหารกําลังดื่มน้ำเนี่ยก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เรียกว่ากายกตาสติส่วนอสุพะก็คือพยายามดูในส่วนที่ไม่ไม่น่าดูของร่างกายไม่สวยงามของร่างกายซึ่งก็ต้อง นึกถึงภาพที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเข้าไปเพราะผิวหนังมันมันหุ้มห่ออาการต่างๆที่เรามองไม่เห็นที่ไม่สวยงามเช่นกะโหลกศีรษะโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตถ้าเรามองไม่เห็นภาพตอน่านี้เราก็ต้องไปเปิดหนังสือดูดูภาพที่นักศึกษาเข้าศึกษากันนักศึกษาแพทย์เราจะได้เห็นอวัยวะต่างๆ เลยดูภาพของศพ บ, บ้างก็ได้คนตายแล้วสวยงามขนาดไหนเวลาเป็นศพก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เรียกว่าอสุภะไม่ใช่มันก็เป็น ด, ดูร่างกายเหมือนกันแต่ดูให้ดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามแต่กายกตาสตินี้ให้ดูเพียงแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายให้ใจเกาะร่างกายไว้เป็นที่หยุดความคิดต่างๆคำถามจากคุณวัญยารัก นั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างต้องทำอย่างไรคะก็สักจะว่ารู้ไปแล้วนั่งต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปพุทโธได้ก็พุทโธไปอย่าไปดูแสงสว่างตอนเดียวมันจะไม่ไปลึกไปกว่านั้นถ้าอยากจะไปลึกกว่านั้นอยากให้มันสงบมากกว่านั้นก็ต้องพุทโธต่อไปถ้าใช้พุทโธถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปคำถามจากคุณ น, นันทชาข้อที่หนึ่ง การถวายน้ําดอกไม้สวดมนต์ไหว้พระทําได้เวลาไหนบ้างเจ้าคะ อ, อก็แล้วแต่เราสะดวกเมื่อไหร่ก็ทําไปเนี่ยเ mm hmm. ้าเรียกวันเลิกสะดวกเนี่ยการถวายน้ําก็ถวายใครแหละก็คนที่ถวายเขาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นเช่นตอนนี้ใครถวายน้ําก็ถวายกันได้แต่จะไปถวายตอนที่อยู่ในกุฏิแล้วก็ไม่ไม่ควรไปละ มันก็ต้องมีการลาเทศะความเหมาะสมข้อที่สองอัฐิของญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วนํามาเก็บไว้ในบ้านได้ไหมเจ้าคะได้ก็ตอนที่อยู่ก็ทําไมอยู่ในบ้านได้ตอนที่อยู่อัฐิก็มีไม่ใช่นะตอนที่ยังไม่ตายอัฐิก็มีอยู่เหมือนเดิมพอตายแล้วทําไมจะต้องเอาไปทิ้งนี่ด้วยก็เก็บไว้ในบ้านต่อไปก็ได้แต่คนกลัวกันเวลาเวลามีลมหายใจไม่กลัวก็ดูเขา พอเขาไม่มีลมหายใจแล้วปกลับไปกลัวกระดูกเขาไม่กล้าเก็บไว้ในบ้านก็เลยต้องเอาไปเก็บไว้ที่วัดบ้างหรือเอาไปรอยอังคานกันบ้างคำถามจากคุณภูแม่ยังชอบไปตกปลามากินอยู่เป็นประจำแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับบาปคำถามจากคุณออยขอโอกาสขอความรู้ที่ถูกต้องค่ะ ผู้ที่จะวางอุเบกขาได้นั้นจะต้องมีเมตตาก่อนไหมคะหรือแต่สภาวะของการปฏิบัติของคนคนนั้นที่อุเบกขาแล้วจึงมีเมตตาคะ อ, อ, อุเบกขาจริงต้องเกิดจากการทำใจให้สงบเป็นสมาธิต้องใช้สติพอใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วความเมตตก็จะตามมาเพราะคนที่มีอุเบกขาแล้วจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรก็จะไม่ ไม่คิดที่จะไปทําร้ายใครไม่คิดที่จะไปแข่งแย่งชิ่งดีกับใครก็จะยินดีใครอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไปได้เพราะว่าคนมีความสงบแล้วไม่ต้องการอะไรเงินทองก็ไม่ต้องการเช่นคนที่เขามีความสงบแล้วสมมติว่ามีพี่น้องเวลาพ่อแม่ตายไปพี่น้องแย่งสมบัติกันคนที่เขามีความสงบเขาก็เฉยๆใครอยากจะได้ก็เอาไปเพราะเขาไม่มีความจําเป็นที่จะท่องใช้เงินทอง ซื้อความสุขต่างๆเพราะเขามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการนั่งสมาธิเขาก็เลยไม่จําเป็นที่จะเขาก็เลยมีความเมตตาความสงสารใครเดือดร้อนใครต้องการเงินก็ให้เข้าไปพี่น้องคนไหนอยากได้เงินทองก็ให้เข้าไปคําถามจากคุณพีโกผู้หญิงที่แต่งหน้าให้ดูดีให้ใครๆมองทั้งที่ก่อนแต่งหน้าธรรมดาถือเป็นการโกหกหรือไม่ครับ ก็ไม่ถือก็ว่าเป็นการโกหกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่าฉันสวยฉันสวยมไม่ไม่ได้เป็นการโกหกแล้วคำถามจากคุณอิสระถ้าเราเห็นตัวไม่ใช่ตัวเราแล้วจะปฏิบัติอย่างไรคะก็ปล่อยมันสิปล่อยมัเหมือนกับเราปล่อยตัวของคนอื่นคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราเดือดร้อนไหม ร่างกายของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของมันถ้าเห็นจริงนะถ้าเห็นแต่ปากพอแก่หน่อยก็ตกใจผมหงอกหน่อยก็ตกใจพอหนังเหี่ยวหน่อยก็ตกใจแสดงว่าเห็นไม่จริงเห็นหลอกแต่เห็นจริงแล้วก็จะเฉยมันจะหงอกก็หงอกไปมันจะเหี่ยวก็เหี่ยวไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นมะเร็งก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะตายก็ปล่อยมันเป็นไป ดังนั้นถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นเหมือนกันเห็นร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาแก่เจ็บตายแล้วเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนใช่ไหมก็ปล่อยเขาอย่างนั้นนะ่ะถึงจะเห็นจริงเห็นว่าร่างกายเรานี่เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลย เ, ลเดี๋ยวรอเดี๋ยวใครอยากจะถามก็ส่งข้อความเข้ามานะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณเกือบสิบนาทีด้วยกันอืม น, นี่คือเรื่องของธรรมะนี่การปฏิบัติทั้งหมดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การดับความทุกข์เท่านั้นความไม่สบายใจแล้วความไม่สบายใจของเราก็เกิดจากความอยากความอยากของเราก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันจะทําให้เราทุกข์มากกว่าอยู่เฉยๆดีแล้วอย่าไปแกว่งเท้าหาเสียนใช่ไหมแกว่งเท้าไปหาเซียนกับเจ็บตัวมากกว่าแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ชอบแกว่งชอบไปหาทุกข์มาใส่หัว อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องไปหาแฟนแล้วต้องมาทุกกับแฟนมีแฟนแล้วก็ไม่พออยากจะมีลูกอีกอก็เลยเอาลูกมาอีกมาทุกขกับลูกอีกพอมีอะไรก็ทุกข์แต่ไม่มีปัญญาไม่มองไม่เห็นน่วงหน้าก่อนว่ามันจะเป็นความทุกข์มองเห็นแต่ว่ามันเป็นความสุขมีแฟนก็สุขมีเพื่อนไปทำไหนมาไหนทำอะไรด้วยกันได้แต่ไม่เห็นตอนเวลาทะเลาะ ก, กันเวลาโกรธ ก, กันเกลียดกัน เวลาจากกันไม่เห็นตอนนั้นนี่เรียกว่าหลงมองไม่เห็นอนิจจาถึงต้องมาสอนให้หัดมองให้เห็นอนิจจาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันมีสองด้านมีรักแล้วเดี๋ยวก็ชางได้เดี๋ยวมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้ไม่อยากได้อะไรเพราะจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ เมื่อเราไม่อยากได้อะไรเราอยู่คนเดียวได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคําถามจากคุณเครือวันเคยทําบาปมาตอนนี้สําำน็กแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เวรกรรมนั้นเบาบางลงเจ้าคะก็อย่าไปทําอย่าไปทําบาปต่อไปเดี๋ยวต่อไปบาปเก่ามันก็จะค่อยๆหมดไปเองใช้บาปใช้กรรมไปเดี๋ยวมันก็หมดเอง คำถามจากคุณชนะตนข้อที่หนึ่งยมเข้าใจว่าจิตใกล้าตายจะอ่อนมากถ้าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมาเวลาจะไปบุญกระบาบมาดึงตามอาจินกรรมที่เคยทำไว้เช่นที่ขาว่าไปที่ชอบที่ชอบถ้าเราภาวนานึกถึงความตายบ่อยๆจะปล่อยได้จริงในช่วงสุดท้ายไหมคะถ้าปล่อยมันก็จะรู้ตอนตอนที่เราปฏิบัตินี่แหละถ้าเราปล่อยได้แล้วมันก็จะปล่อยได้ ถ้ายังปล่อยไม่ได้มันก็ยังปล่อยไม่ได้ข้อที่สองคนที่รักษาศีล5้าปกติแต่ไม่ได้ภาวนาเวลาตายศีลก็จะพาไปสุคติได้ใช่ไหมคะไปแค่มนุษย์นี่ถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไปไปสวรรค์ไม่ได้ต้องทำบุญแล้วก็ไม่ทำบาปถึงจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ถ้าเพียงแต่ไม่ทำบาปอย่างเดียวแต่ไม่ทาบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ คำถามจากผู้ฝากถามในฐานะที่เป็นแพทย์การหยุดรักษาหรือถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนื่องจากญาติขอร้องในทางธรรมนั้นถือเป็นบาปหรือไม่คะเ อ, อ่อไม่บาปนะก็เพียงแต่ไม่ได้รักษาเท่านั้นเองแต่ถ้าไปบีบคอเขาเนี่ยให้เขาไม่หายใจเนีนถึงจะบาปแต่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายอยางนี้นก็ไม่บาป คำถามจากคุณ C ีเจขอคําอธิบายยานสิบหกเราต้องเรียนรู้ไปเป็นขั้นๆั้นใหม่คะอ๋อไม่ต้องหรอให้รู้แค่อให้รู้แค่ตายรักก็พอหรือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากมีแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมดแล้วแหละ มีคำถามที่คล้ายๆกันนะคะอ่าอ่าถามมาก็ได้คล้ายๆก็ถามไปเป็นคำถามฝากจากน้องแพทย์จบใหม่เคยเจอคนไข้ที่มีระบบการหายใจล้มเหลวแต่ตามแนวทางการแพทย์จาเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้นแต่เดิมคนไข้เป็นโรคเลือดลังหรือโรคมะเร็งที่รักษาไม่หายขอถามพระอาจารย์ว่าแบบไหนจะเป็นบาปกว่าระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ อาจเป็นการยื้อชีวิตไว้หรือทำให้ทรมานมากขึ้นกับการปล่อยให้คนไข้ทรมานจากโรคโดยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจครับก็ไม่บาปแล้วทั้งสองอย่างก็เป็นเป็นการก็เป็นการเป็นความเมตตาคือการอยากจะช่วยเหลือชีวิตกันแต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าบางทีการช่วยนี้แทนที่จะทำให้เขาทุกน้อยกับทาให้เขาทุกมาก ก็ไปยื้อให้เขาต้องทนทุกข์ไปนานขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาเขาอาจจะไปเร็วหน่อยเขาก็จะทุกข์น้อยหน่อยเท่านั้นเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะรู้จักการพิจารณารู้เปล่าว่าช่วยเขาแล้วทําให้เขาทุกข์น้อยขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นถ้าทุกข์มากขึ้นก็อย่าไปช่วยดีกว่า คำถามจากคุณจิตประพัสสอนบนสวรรค์มีการฟังธรรมกันไหมเจ้าคะสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่แต่ต้องมีผู้ไปแสดงคือมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้านี่แสดงทำให้เทวดาฟังทุกคืนหรือหลวงปู่มั่นเนี่ยเลหนังสือประวัติป้าจาย์มั่นที่เอาไปอ่านท่านก็แสดงทำให้กับพวกเทวดาที่มาฟังธรรมกับท่าน าท่านเหล่านี้สามารถติดต่อทางทางโทรจิตได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าพระไม่มีพระผู้ที่มีความสามารถติดต่อทางโทรจิตได้พวกเทวดาก็จะไม่มีใครไปสอนเขาคำถามจากคุณหนูอิงถ้าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งขโมยของเราและเราปล่อยเฉยและเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาหนูทาถูกหรือผิดคะพระอาจารย์ ก็ดีแล้วลนะ่ะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็คนที่จะแยกตัวออกจากเขา<ม>แต่ไม่ไปเกลียดชังเขาเพียงแต่รู้ว่าเขาเป็นเหมือนอภัยอันตรายเหมือนงูเหมือนอะไรอย่างนี้<ม>เราก็ต้องป้องกัน ร, รักษาตัวเรารักษาทรัพย์สินขอเราโดยที่อย่าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาเพราะว่า<ม>ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ใกล้เราเดี๋ยว<ม>เราเผลอเขาก็จะขโมยข้าวของเราต่อไปได้ มีคำถามอีกคำถามนึงม่งไหมเอาคำถามเป็นคำนะคำถามจากคุณนันทชาการอยู่กับลมหายใจเป็นผู้ดูจิตคิดรู้จิตคิดตลอดเวลาเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะก็อยา่าคิดอย่าให้ดูเฉยๆดูลมหายใจแต่ดูลมหายใจเนี่ต้องดูแต่พอตอนที่เรานั่งสมาธิถ้าเรากำลังทำงานอยู่ให้ดูงานที่เรากาลังทาอยู่แทนแต่อย่าไปคิดกับงานนั้นถ้าคิดกับงานมันก็ มันก็จะไม่ไม่นิ่งไม่สงบเอราะฉะนั้นบางทีเราต้องไม่ทำงานที่มันต้องใช้ความคิดถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมเช่นวันหยุดเราก็ไปอยู่วัดนี้แล้วเราก็ดูแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพราะการปฏิบัตินี้ต้องการหยุดความคิดถ้าไม่หยุดมันจะไม่สงบจะไม่มีความสุขแล้วมันจะทำให้เราต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกาย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 คนทั่วไปไม่มีความสามารถที่จะเห็นได้ก็เลยจินตนาการกันไปต่างๆนาะนาะอย่างพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ย <loud. S 2> ท่านก็ไม่ดาวร่างกายไปหรอกท่านก็ส่งกระแสจิตไปส่งกระแสจิตไปติดต่อกันอ่าอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ คือจิตสงบแล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆปล่อยให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์ถ้าอัปปนาสมาธินี้จะไม่ไปรับรู้จะให้อยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างเดียวท่านอาจารย์ครับช่วงปีสองปีก่อนนะครับที่ผมปฏิบัติบ่อยๆครับเวลานอน อ, ะอ่ะมันจะเราจะตื่นนอนขึ้นมากลางเดกอนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตื่นนะครับคือแต่ว่าตัวจิตเราอะเรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาซึ่งผมไม่มีไม่มีใครสอนคือปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อตอนช่วงหลังๆก็เลยคือเป็นบ่อยๆเข้าเคลือการที่จิตมันตื่นขึ้นมาแต่ว่าตัวร่างกายไม่ได้ตื่นแล้วหลังๆก็เลยเริ่มเริ่มถอยห่างไม่ได้ปฏิบัติแล้วครับตอนหลังๆกไ็ไม่ค่อยเป็นแล้วอยากจะทราบว่า คือถ้าเป็นกลับไปเป็นอย่างไั้อีกเนี่ยควรจะทำยังไงต่อดีครับตือนก็เตือนเลยเตือนก็ลุกขึ้นมานั่งเลยถ้าจิตรู้สึกเตือนก็ดือดเดร่างกายให้มันตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแสดงว่าร่างกายมั น, มนพักผ่อนพอแล้วจิตพักผ่อนพอแล้วก็เอาเวลาคนปฏิบัติทำจริงๆก็นอนแค่สี่ชั่วโมงพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านนอนกันเกินละสี่ชั่วโมง พอตื่นก็ลุกขึ้นมาเดินจบกลมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อไปผมจะทํายังไงให้ร่างกายมันตื่นตามจิตครับอา้าวจิตก็สั่งมันสิรู้สึกตัวถ้ารู้สึกทางจิตเนี่าจิตมันก็สั่งได้สั่งให้ลืมตาอ่ะมันอาจจะยากหน่อยบางทีมันยังไม่ลืมตาก็สั่งให้มันลืมตาได้จิตเป็นคนสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆถ้าจิตไม่สั่งร่างกายมันก็นอนอยู่มันอยู่อย่างนั้นแหะ ถ้าไม่มีจิตเมันก็เป็นซากศพมันยขยับตัวไปไหนมาไหนไม่ได้จิตเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันตื่นก็ดีจะได้มาปฏิบัติต่อออืวันนี้ไป็นไงเครื่องใหม่มีปัญหาไหมไม่มีไม่มีดีกับพระอาจารย์ ก, รยกล้องดีดกว่าเก่าไหมชัดปีหนา วันนี้คนติดตาดมดูบอกไอุ้้นตอนนี้กำลังใช้ไอโฟน10นีนน่มีผู้ศรัทธาท่านบอยจากมาให้กับทีมงา น, นไอ้ไอโฟน10รุ่นใหม่เอี่ยมกล้องชัดกว่าเก่านะนี่ยังไงไม่เหมือนเดิมชัดาชาค่ะอาจาย์คมชัดกว่าอันเก่าอย่างเส้นชัดเลยค่ะ ของใหม่มันก็ต้องดีกว่าของเก่าเองไมงั้นคนจะไปซื้อเลยแพงกว่าของของของเก่าเออันนี้มันสามหมือนกว่าไม่ใช่เครื่องหนึ่งมันพันเหรียญเนี่ยเห็นไหราคาพันเหรียญใช่พันเหรียญขึ้นไปพันเหรียญคนได้สามสิบสองก็สามหมืนสองถ้าไม่รวมทั้งภาษีอะไรอีกอ่ม ถ้าเอามาทำประโยชน์ได้ก็คุ้มค่ากับการลงทุนถ้าคนดูดูได้ติดตามได้อย่างชัดเจนก็ดีเป็นประโยชน์เสียงก็ชัดใช่ไหมกายอยู่ทางบ้านเรารายงานผลให้ทราบหน่อยซิว่าของเฟซบุ๊กเนะ i p h o n ฟนสิบนี่ใช้กับทางเฟซบุ๊กอยู่ค่ะ ม, มีทางบ้านเขียนมาค่ะบอกว่า แต่คุณเพนจันบอกว่าเสียงภาพชัดเจนมากค่ะบางแครอทมอค่ะภาพชัดมากกว่าเดิมค่ะดูผิดปกตินะดูผิดชัดก่อนเดิมน ะ, ค, ะคนที่ถวายเครื่องก็จะได้ดีใจขายดีแน่เลยท่านผัดนาะขายดี เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะได้ขายได้แต่มันจะไอโฟสิบก็สู้ตาของเราไม่ได้ตาของเรานี่ชัดกว่าเยอะแยะเลยเนี่ยกล้องอันไหนจะสู้ตาสองตาของเราได้เนี่ยตาของเราสองตานี้เห็นเป็นสามมิติแล้วเห็นอย่างชัดเจนเลยถ้าถ้าไม่ใช่เป็นตาฟ้าตาฟางนะถ้าเป็นตาปกตินี่เห็นชัดแจ๋วเลยกล้องขนาดไหนผลิตขึ้นมาอย่างไรก็สู้ตา ตาของเราไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าตาของเราไม่สามารถถ่ายทอดภาพที่เราเห็นนี้ไปให้กับคนอื่นได้แต่ตาของกล้องนี่สามารถถ่ายทอดไปให้คนทั่วโลกได้เนี่ยตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยมีคนติดตามอยู่ตัง้ง3ามสิกประเทศแล้วคนที่ติดตามอยู่แต่อาจจะไม่ได้ติดตามทุกวันนะแต่มีสมาชิกที่เขาติดตามรายงานมาว่ามาจากประเทศนั้นประเทศนี้ เคยจดบันทึกไว้ได้ประมาณสามสิบั้งสามสิบกว่าประเทศ3ามสิบมีอะไรเหรอจะถามปัญหาท่านนะครับถึงแม้ว่าเราได้ทำบุญมาเยอะนะฮ ะ, ะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรมาตลอดแต่ถ้าหากว่าเวลาตอนเราดับจิตเนี่ยมันก็คงมีความทุกข์ทรมานจิตอาจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า เราก็จะไปในสู่อบายภูมิได้ไหมถึงแม้ว่าเราทำบุญมาเยอะนะแต่เวลาเราจะดับจิตเนะี่ยจิตมันแวบไปเนี่ยมันเหมือนเราตีตัวผิดผิดที่หรือเปล่าเวลาเราตายไปไม่หรอคือบุญกับบุญกับบาปที่เราทำนี่มันจะสะสมไว้เป็นกำลังและเวลาที่เราตายเนี่ยบุญกับบาปที่เราได้ทำไว้มันจะมาสู้กันถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้ไปทางสวรรค์ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้ไปทางอาบายมันไม่ใช่มาเป็นเพราะช่ววับสุดท้ายนี่หรอกวับสุดท้ายมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เราได้สะสมบุญกับสะสมบาปมาแล้วเวลาที่มันมาบวกลบกันมามชนกันอันนั้นจะเป็นวับสุดท้ายเข้าใจวับสุดท้ายของเรามันเปนเหมือนกับตอนที่เราปิดบัญชีอะ่ะ ป, ปีนี้เรามีรายจ่ายเท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่เนี่ย วันที่31นี้ก็เป็นเหมือนกับวันที่มันจะบอกคนลัพธ์ให้เราว่ากําไรหรือขาดทุนฉะนั้นเวลาเราตายก็เหมือนช่วงที่เราปิดบัญชีวันที่31เนี่ยแวบสุดท้ายของใจเราก็คือผลลัพธ์ที่เราได้ที่เกิดจากการที่เราได้ทําบุญและธรบาสมาสะสมกันมามันจะมาบวกลบคูณหารกัน ก็จะเป็นแวบสุดท้ายของของใจแวบสุดท้ายเราไม่ต้องกลัวอันนี้มันหนักตึ้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวม่มกระทบใจไม่มีไม่มีไม่มีหรอกไม่มีทําบุญวะตั้งเยอะแต่ใ้ตอนตอนจะดับจิตนี่ดันไปจะแวบไม่หรอกไม่หรอกมันเหมือนตีตัววะผิดผิดชั้นไม่ไม่ไม่ผิดอ่ะกฎแห่งกรรมท่านพระเจ้าถึงบอกให้ทําบุญละบาปไปเรื่อยๆแล้วผลละมันจะดีมันจะเป็นบวกถ้าทําบาปไม่ทําบุญนี่มันก็จะเป็นผลผลลบ นะไม่ต้องกลัวจิตสุดท้ายนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ที่เกิดจากบุญบาปที่เราได้สะสมไว้มาบวกลบคูณหารกันแล้วมันก็จะได้คําตอบเหมือนกับทําบัญชีเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าสิ้นปีนี้เรากําไรหรือขาดทุนก็ต้องไปทําบัญชีดูใช่ไหมดูรายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่แล้วก็มาบวกลบ ก, กันดูว่าอันไหนจะมากกว่ากันถ้ารายจ่ายมากกว่าก็ขาดทุนงานหลับจิตสุดท้ายมันก็จะ มันก็จะไปต้องไปใช้ใช้หนี้ขาดทุนถ้าเป็นกําไรมันก็ไปรับโบนัสไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปสวรรค์ได้ถ้ามันเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปอาบายถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันจิตสุดท้ายศูนย์เนี้ยบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีก็เหลือแต่ศูนเนี้ย <Okay. S 1> มันก็กลับมาเป็นมนุษย์เลยยังไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวทําไปเลยคิดเถูกใช่แต่ผมก็ปฏิบัติบูชาอยู่เรื่อยนะครับอีกเช่นอย่างนี้ไอคนที่มันชิลียร์ไปทางว่าดีขอจิตสุดท้ายเขาให้กูคิดดีได้สิครับมันคิดดีได้ไนะขนาดมีคนนำส่งนามีชะขนาดมีชีวิตอยู่ยังคิดดีไม่ได้เวลาจะตายมันจะคิดดีได้ยังไงใช่ไหมมันมีแต่ความกลัวความเครียดความทุกข์ทั้งนั้นะเวลาแต่คนที่ทําบุญนี้ใจจะไม่เครียดไม่ทุกข์ไงใจจะนิ่งใจสงบแต่คนจะดับจิตนี่มันก็คงจะ ถ้าทั้งสี่มันก็แย่แล้นะมันอาจจะคิดแบบอาจจะโมโหทำไมเป็นอย่างนี้อะไรมันอาจจะโทโทรสะขึ้นมาก็เราปรับได้ไงเราเราที่เราปฏิบัติทุกวันนี้เพื่อปรับไอ้ตัวนี้ลงนะพอเราปรับเป็นเวลาถึงเวลาเราก็จะไม่โมโหเราก็จะไม่อันต้องทําตอนนี้ไงนี่เราก็บุญทั้งนั้นซะอมอะซ้อมไปเรื่อยเมีสติอ่าได้มีสติมีปัญญาแล่อล่องได้จิตจะนิ่งจะสงบจิตจะไปดี คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานี่พอเป็นอะไรขึ้นมาโวยวายเออะโมโหโถซเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจเพราะควบคุมใจไม่เป็นไม่ฝึกมาก่อนการปฏิบัตินี้ก็เป็นการทำบุญแบบหนึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงแต่ให้ให้ทานเท่านั้นการปฏิบัตินี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานใช่ไหงั้นถ้าปฏิบัติแล้วใจมันจะอยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา แอบไม่ต้องกังวลถ้ามันไปมันอาจจะไปแว บ, บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ฟังมีคนที่เขาบอกก็บอกว่าถ้าเราจะจ ะ, จะดับจิตให้ถ้าเราคิดไม่ดีปุ๊บมันไปเลยวันนี้ไอ้ที่เราทําไม่ดีไอ้ที่เราทําดีมาหมดหมดมันก็อาจจะไปอาจจะมันอาจจะไปได้แต่ไปเดี๋ยวเดีย ว, บบยวอย่า ง, ย, างยกตัวอย่างเนี่ยพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านบวชมาเป็นพระตลอดแต่ท่านรักจีวรท่าน ว่าท่านตายจิตสุดท้ายท่านยังห่วงจีอออยู่ท่านเลยกลับมาเกิดเป็นตัวเลนม า, <ร>าก็ใช่ครับเคยด้ยินครับเคยด้ยินเแต่เป็นตัวเลนเจ็ดวันก็ตายละพอตายแล้วทีนี้จิตที่มันเป็นจิตกุศลมันก็เดินไปไปรับผลบุญต่อไปแต่บางอย่างถ้ามีความผูกพันมากๆมันอาจจะทำให้เรากลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกได้ถ้าห่วงภรรยามากๆเนี่ย แต่แต่ไปก็อยากจะอยู่ใกล้ภรรยายังไม่อหลายวันที้กนภรรยาไปเนี่ยก็ขออยู่เป็นตุ๊กแกอยู่ใกล้ก็ยังดีเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกหรือเป็นอะไรเนี่ยภรรยาเขาเกียดตเกียดที่กว่าเดียวหน่อยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเขาเก็เขาเห็นเราเป็นตุ๊กแกเขาก็ไไม่่รรู้าเเียออจะปสืบอกว่าเขาเเ็้ากกหมอไม่ได้พูดภาษาเดียวกันไม่ได้เป็นแต่ว่าใจเรายังอยากอยู่ใกล้เขาอยู่ อย่างนี้ก็ได้แตอ่อาจจะกลับมาชั่วคราวแล้วพอรู้ว่ากลับมาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้พลังของบุญหรือบาปพาไปต่อไป <Yeah. S 1> ไม่ต้องกังวลล่ะไม่มีปัญหาเลย <Yeah. S 1> เป็นไปไม่ได้เรทาทําบาปมาทั้งชีวิตแล้วตายไปก็ไปนิพพานนี่มันพล <Yeah. S 1> ิกยากเนียมันก้อนหินก้อนใหญ่ๆเราไม่มีกําลังเราจะไปพลิกวันทีเดียวได้ไงเราได้ค่อยๆมาพลิกจิตเรานี่ตอนนี้เหมือนก้อนหิน อันนี้มันมันมันคว่ำอยู่แล้วต้องการให้มันหายขึ้นเมันต้องใช้พลังต้องฝึกต้องฝึกจิตไงใช่คฝึกสติฝึกปัญญาเอถ้ามีสติมีปัญญาต่อไปแล้วก็พลิกมันได้จากวุ่นวายให้มันสงบได้แล้วเมื่อเราเลิกบริกรรมเนี่ยเราจิตเราไม่ได้ก็จริงแต่มันเราเราได้เราได้บุญไหมฮะเรากําลังได้ได้เรียกว่าได้ได้การสร้างพลังเนี่ยยังผลยังไม่เกิดแต่กําลังสร้าง สร้างเหตุอ่สะสมเหะสมเหตุอยู่ปิดม่ใจเราจะลอยไปนู่นไปนี่ก็กลับมาแล้วก็ดึงกลับมาได้บ้างดึงไปดึงมาสู้กันไปสู้กันมาดีกว่าไม่ไม่มีอะไรดึงมันมาเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วมันก็จะไปของมันโดยที่ไม่เรื่องบริกรรมนี้เราก็ได้เลยได้แล้วก็ดึงมันมาแล้วเราก็พยายามดึงอยู่ดึงมันอยู่เรื่อยๆให้มันนิ่งให้มันหยุดเนี่ยมนุษเนี่ยทุกครั้งที่เราแตะเบรกมันก็จะช้าลงใช่ไหมแม้ว่ามันอาจจะไม่หยุดทันทีแต่มันก็ช้าลงละ แล้วถ้าเราคอยแตะอยู่เรื่อยๆมันต่อไปมันก็หยุดเองแต่ถ้าเราไม่แตะเดี๋ยวเราปล่อยปั๊บมันก็วิ่งต่อไปเองดังนั้นเราต้องพยายามแตะอยู่เรื่อยๆบริกรรมอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดมันก็จะเบาลงเบาลงน้อยลงน้อยลงไปแล้วต่อไปก็หยุดได้ทำต่อเรื่องมันมันได้ได้ <พอ S 1> ปุ๊บมันก็ออกเริ่มแล้วก็ไปบวชเงี้ยเนี่ยจะได้ทําต่อเนื่องเอาที่บ้านกับผมทำที่บ้านเวลาบวชมันไม่มีงานอย่างอื่นต้องทำเนี่ยแต่อยู่ที่บ้านมันต้องมีงานอย่างอื่นต้องทําด้วย อย่างคนก็ถึงใบบวชกันเนี่ยพระอาจารย์นั่งหลายท่านถึงได้เป็นพระอาหารหันต์กันเพราะท่านใบบวชกันใช่ครับ ถ, ถ้าอยากเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องใบบวชยังไม่ถึงข น, นยังไม่ถึงเยังซ้อมๆไปก่อนเยอะยั ง, ย, งยังคิดถึงแฟนอยู่นะยังขณะจิสมาธิอยู่ครับยังห่วงแฟนอยู่เนะมันก็ผมผสมประสานครับเอาสายกลางไงรักฟี่เสียดายน้องไะ อยากได้ธรรมะแต่ก็เสียดายทางโลกก็เลยตอนนี้ก็เลยได้แบบครึ่งคร่งกลางกลางได้แบบอสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปก็ดีมันก็ต้องเ ร, เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะไปทางธรรมได้มากขึ้นไปเรื่อยๆอัปฏิบัติมากขึ้นผลดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันก็อยากจะไปทางธรรมมากขึ้นเองตอนนี้ผมกำลังมองไว้ครับเนี่ยมองมหาสถานที่ปีพิเวกไว้ครับเนี่ยอ่ดีอ่จะละแล้วใช่แล้วสมควรแล้ว แต่ถ้าจะมานั่งขัดสมาธินั่งพัเพียบอย่างพระทั่วไปผมคงจะยผมจะลำบากครับผมจะลำบากเพราะผมนั่งนั่งลำบากอ่ะไม่เป็นไรก็นั่งก้อยยีไปก่อนก็ได้ได้แล้วได้ก็นั่งเวลาเราอยู่คนเดียวเรานั่งตรงไหนนั่งยังไงก็ได้ครับแต่ถ้าอยากจะนั่งนานๆก็หัดนั่งพักเพียบนั่งนั่งขัดสมาธิไปมันก็นั่งได้เองมันเป็นเรื่องของเส้นเอ็นที่มันไม่เคยผมเไม่เคยได้นั่งเวลานั่งมันรู้สึกมันขัดมันเจ็บ แต่ถ้าหัดพื้นไปบ่อยๆต่อไปเส้นเอ็นมันก็อ่อนไปเองผมคิดว่าเอาแค่สี่ห้าสีแปดแต่เราปฏิบัติมากๆผมว่ามันก็ไม่ต่างกับพระนะฮะถ้าพระนี่ถ้าเราทําอะไรพลาดไปมันแรงครับถ้าผิดฉีงมันแรงกว่าถ้าเราว่าผมคิดอย่างนี้นะฮะบางทีผมก็เอาบ้านเป็นวัดอ่านเ้็นวัดเราวรารถนาเลยว่าห้าวันนี้เราไม่รับโทรศัพท์ไม่ดูทีวี เตรียมอาหารไว้แล้วเราอยู่ได้อย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าได้บุญด้วยได้ถูกต้องแล้วล่ะต้องทํางนี้ไปก่อนแต่ก็ทํำนานๆครั้งนะไม่ใช่บ่อยนะนึกอารมณ์มาเอาเซะหน่อยตั้านวันก็อย่างนี้ไปก่อนพอผมกลัวพระนะถ้าบุญเป็นพระบางทีเราเผลอไปพาะก็สึกเท่านั้นเองไม่มีอะไรสึกไม่ทันแล้วดีได้ก็ทําศีกลาิกขาได้ วันนี้ลืมถามยอดวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง Facebook สูงสุด430ค่ะแล้วก็ทาง YouTube สูงสุด114ทาง l i น e 4 9 6แล้วก็ทางวิทยุ3ค่ะสงสารพาธที่เป็นคนตอบรับ l i น e เนี่ยาต้องทำขนาตีสองตอบรับเขาเราต้องตอบตอบรับทุกคนที่เข้าเข้ามาขอเป็นอยู่ในกลุ่มด้วย ต้องตอบรับแล้วถ้าเราส่งอนุโมทนาบัตรไปด้วยถ่ายภาพเราก็เขียนเจดเลยก็ดีทั้งอยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่านทํางานนี้ก็ยังดีงั้นอยู่เฉยๆแล้วจะคิดถึงบ้านขึ้นอยากจะสึกเออพอมีงานนี้ทําก็เออยังดีเจ้ากรรมในเวนอดิตชาติมีคนถึชาติปัจจุบัน มีก็เวลาเราเจอคนที่ไม่ชอบที่หน้ากันน่ะคือเจ้ากรรมนายเวรเราครู่กรรมกันมาเคยเคยเกียรติชังกันมาพอเจอหน้ากันปั๊บมันจําได้มันไม่ได้จําที่หน้าตาล่ะมันจําที่กิริยาเสียงเสียงของคนไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าไม่เคยเจอกันยี่สิบปีเนี่ยเห็นหน้าจำจําไม่ได้แต่พอเขาพูดครับเนี่ยเออเสียงนี้เคยได้ยินมันมันจะจําได้เราจึงมีความรู้สึกต่อคนที่เราเจอไม่เหมือนกันน บางคนเราก็ไม่ชอบบางคนเราก็ชอบบางคนเราก็เฉยเฉยเนี่ยมีสามชนิดคนที่ชอบก็แสดงว่าเคยเคยชอบกันมาในอดีตคนที่ไม่ชอบก็แสดงว่าเคยเกลียดกันมาในอดีตคนเฉยเฉยก็แสดงว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรต่อกันหรอกนั้นไก็ไม่แน่เป็นหมาก็จะมากัดเราได้เหมือนกัน เญาก็มาทำแล้วเขาก็มาทำอะไรเราไม่ได้ัมีเนีากรรมไปเรียนลูกชายลูกชายเรีนมนี่ได้แล้วผมว่านี่แหละลูกแตกก็ไม่เป็นไรเราใช้เมตตารับกับมันได้ขอเราใช้เมตตาให้อภัยใครก็จะมาจองเวรจองกรรมเราก็คิดว่าเป็นการใช้เวรกันไปแต่เราจะไม่สร้างเวรใหม่เราจะไม่ตอบโต้ ถ้าเขาทำอะไรเราเราเฉยเดี๋ยวเขาก็ไปเองเดี๋ยวเขาเหนื่อยแล้วเขาก็หยุดเองเหมือนเหมือนเทวทัตเนี่ยพยายามตามฆ่าพุทธเจ้าถึงสามครั้งพนะุทธเจ้าก็ไม่ไม่ตอบโต้เลยนะ<อ>ใช้ธรรมะใช้เมตตาใช้ปัญญาใช้อุเบกขาไปตอนในที่สุดเทวทัตุก็หมดแรงแล้วก็มานั่งสำนึกผิดแล้วก็ต้องไปรับผลบาปของเขาเองต่อไป นั้นคราวนี้ไม่พ้นเจ้ากรรมนายเวรถ้ามันจะเจอกันต้องเจอพระมุกกรานะยังต้องถูกเขาฆ่าตายาถึงแม้เป็นพระหลานท่านท่านหนีอิทธิฤทธิปฏิหารสามารถใช้อิทธิฤทธิของท่านหนีได้แต่ท่านบอกไม่หนีหนีจากชาตินี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่ก็ปล่อยให้มันหมดเวนหมดกรรมไปหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาใหม่นอกจากว่าถ้าท่านตายไปแล้วท่านก็จะหนี ท่ามันก็จะตามไม่ได้แล้วเพราะท่านจะไม่กลับมาเกิดแล้วณขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สมมติใช้เอธิลิดีวันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็ตามมาใหม่นั้นก็ท่านกันเลยไม่ตามไม่ไม่หนีปล่อยให้มันเป็นไปท่านถือว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนหนีไม่หนีก็ต้องตายเหมือนกันหนีแล้วมันทุกข์ไปเปล่าๆหนีไปทํา ไ, ไมว่ายังไงจังคะอยากถามว่าสมัยก่อน เป็นคนที่นอนแล้วชอบฝันฝันเห็นบ้านเก่าๆอยู่ลําบากแล้วก็รู้ว่าจะไปไหนแล้วแต่งตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาจะเหนื่อยแต่หลังจากที่ได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมากนั่งไม่เคยฝันอีกเลยที่เป็นเพราะความคิดเราลดลงเลยความฝันก็เกิดจากความคิดของเราเนี่ยหลังฐานความคิดปรุงแต่งเราคิดมากๆในขณะที่เราตื่นพอเราหลับมันความคิดนี้มันยังไม่หยุดคิดมันก็คิดต่อมันก็เป็นความฝันขึ้นมา พอเรามาฝึกสมาธิทําใจให้สงบหยุดคิดได้เวลานอนหลับก็จะไม่ค่อยฝันแล้วนอกจากนอกจากมีเรื่องอะไรกระทบแรงๆที่มันยังค้างๆอยู่ในใจมันก็อาจจะฝันได้บ้างแต่ถ้าปกติแล้วมันจะไม่ค่อยฝันแล้วเพราะความฝันมันมาจากความคิดเราดีๆนี่คิดเรื่องที่เราได้ผ่านมาแล้วสัมผัสรับรู้มาแล้วมันก็มาคิดต่อตอนนอนหลับจะฝันซ้ำๆอ่านั่นแหละไม่เป็นไรก็เป็นแค่ความคิด แล้วมันเป็นผลที่เกิดถ้าฝันดีก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เราคิดดีเช่นเราไปทําบุญเราก็จะคิดดี<ม>พอนอนหลับก็จะฝันดีถ้าเราไปทํำบาปแล้วก็จะคิดไม่ดีพอนอนหลับมันก็จะฝันร้ายเดี๋ยวนี้ไม่ฝันเลยค่ะพอหลับก็แต่ฝึกนัง่งสมาธิบ้างเลยนั่งก็ก็ดีเนี่ย<ม>ก่อนไปอนิสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกคนที่มีจิตสงบนี้จะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับนจะไม่ฝันร้าย นอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายอ่าปฏิบัติต่อไปเ <c oughs> ชื่อเชื่อผลของการปฏิบัติได้อย่างว่ามีจริงเ <c oughs> ชื่อบุญเชื่อกรรมด้วยังเนี่ยบุญกรรมผลของมันอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่นรกสวรรค์นรกสวรสวรค์ไม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ก็ยังไม่ใจเรานี่แหละที่เป็นสวรรค์เวลาเรามีความสุขแล้วก็เรียกว่าสวรรค์เวลาใจเราทุกข์วุ่นวายใจเราก็เรียกว่านรกแล้วมันมีอีกคำอะไรคะเคย กลัวกัวมันจะไปกัดเด็กๆก็เอไม้ไม้ไม่กวาดเลยะไปกระแท่ตรงกลางหลังมันแล้วมันก็ตายแล้วก็พอมานั่งพอตอนหลังมานั่งฝึกปฏิบัติกันมั้นมันมีขาซื้อเวลาเรานั่งซักทมันชายตรงกลางอันนี้มีอะไรอยากกระถามไหมไม่ค่ะอยากมากราบอาจารย์เป็นสลุดมงคลนะคะกราบนะคะกราบเฉยๆไม่เป็นสลุดมงคลกราบอยู่ที่ไหนก็กราบได้ เป็นมงคลกระต่อมเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมได้ได้สนทนาธรรมการเลยนะธรรมสากัจฉาเอตามังกลมุตตังการได้สนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมความเป็นมงคลอยู่ที่ปัญญาความรู้เพราะชีวิตเรานี่สิ่งที่เราขาดกันมากที่สุดก็คือแสงสว่างห่งธปัญญา อันนี้เราเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดถ้าไม่มีแสงสว่างเช่นไฟฉายจะมองไม่เห็นทางจะไม่รู้ว่ามีอะไรมีอะไรที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตราย<ม>ชีวิตเราจึงมักจะเดินเข้าหาอันตรายโดยที่เราไม่ได้คาดฝันกันมไม่มีใครอยากจะพบกับภยัยแต่ทําไมเรามักจะไปเจอภัยต่างๆกัน<ม>ก็เพราะเรา ไม่มีแสงสว่างมองทางเราเพียงแต่คิดว่าทางนี้ดีทางนี้ปลอดภัยแต่พอไปจริงๆเอามันไม่ดีอย่างที่เราคิด เ, เรามีตาแต่เป็นตานอกตาตาเนื้อตาร่างกายแต่ตาใจเราไม่มีตาใจเรามืดบอดถูกถูกความความความโง่เขลาเบาปัญญา ขาดการขาดปัญญาความรู้สำหรับที่จะบอกใจให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษต่อจิตใจเรารู้แต่อะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อร่างกายเราเลือกอาหารกินกันได้อาหารชนิดไหนกินแล้วทำให้แสลงเราก็ไม่รับประทานเราก็ไม่กินอันไหนเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเรารู้เรื่องทางร่างกายนี้เรารู้ แต่เรื่องเรื่องทางจิตใจเราไม่รู้กันตราไม่รู้ว่าจิตใจเรานี้เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกจากร่างกายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับร่างกายเราอาจจะคิดว่าถ้าเราดูแลรักษ า, าร่างกายเราดีแล้วใจเราจะดีไปด้วยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่มไหมตอนนี้ร่างกายเราอยู่สุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเอ็มน้ําสําราญแต่ทําไมใจเรายังวุ่นวายกันอยู่ใจเรายังไม่สบาย เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราเหมือนกับวิธีรักษาร่างกายเรารู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัยสี่ร่างกายต้องการอาหารเราก็หาอาหารมาให้รับประทาน ร, าร่างกายต้องการเครื่องนุ่งห่มก็หามาให้ก็จะได้รักษาปกป้องมาภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นความ ความหนาวความเย็นหรือแมลงสว์กัดต่อยอะไรต่างๆเราก็ต้องมีเครื่องนุ่งหมแล้วภัยที่มากกว่านั้นเช่นฝนฟ้าอากาศหรือภัยจากบุคคลต่างๆเราก็ต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยไว้คอยหลบแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มียามารักษาเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาร่างกายเรา ร่างกายเราจึงอยู่เป็นปกติสุดแต่ใจของพวกเรากรับไม่ค่อยสุขเหมือนกับร่างกายบางทีใจก็ไม่สบายกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้วิตกกับคนนั้นวิตกกับคนนี้มีปัญหากับถิ่งนั้นมีปัญหากับสิ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นปัญหาต่างๆที่ ที่เกิดทางใจนี่เราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจให้อยู่ปกติสุขเหมือนกับนั่งกายพระพุทธเจ้าก็เลยต้องมาสอนพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบวิธีที่จะดูแลรักษาจิตใจให้อยู่เป็นปกติสุขเหมือนกับร่างกายตอนนี้ร่างกายเราเป็นปกติสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียารักษาโรคหิวก็มีอาหารให้รับประทานหนาวก็มีเครื่องนุ่งมมห่มไม้ห่มมีฝนตกแดดออกมีอะไรก็มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนแต่ใจเราไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่รู้ว่าอาหารของใจคืออะไรเครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไร ที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรยารักษาโรคของใจคืออะไรนั่นเองเราจึงต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ปัจจัยสี่ของใจใจเราก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายอาหารของใจคืออะไรอาหารของร่างกายคือ กับข้าวกับปลาของข้าวของหวานของที่เรารับประทานนี้เป็นอาหารของร่างกายเวลาร่างกายหิวเราก็รับประทานอาหารกันรับทานแล้วร่างกายก็อิ่มหายหิวแต่เวลาใจเราหิวเราไม่รู้ว่าอาหารของใจคืออะไรแทนที่จะให้อาหารของให้อาหารกับใจกลับไปให้ยาเสพติดกับใจก็เห็นคนติดยาเสพติด คนติดยาเสพติดนี้ร่างกายมักจะสู้ผอมเพราะเขาจะต้องเอาเงินไปซื้อยาเสพติดซื้ อ, อาหารแล้วมันไม่ได้ไปหลับมันไม่ไปดับความทรมานที่เกิดจากความอยากจะเสพยาเสพติดใจของเราก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดไม่ค่อยมีความอิ่มใจสุขใจมีแต่ความหิวมีแต่ความต้องการมีอะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นแล้วก็ไม่พอเมื่อวานนี้ไปเที่ยวกันวันนี้ก็อยากจะไปเที่ยวต่อ น, นี่ไม่ใช่เป็นอาหารของใจไม่ได้ดับความหิวความอยากของใจแต่กลับทําให้เกิดความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นะ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะให้ใจอิ่มให้ให้ทําบุญทําทานแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันนี่เอาเงินไปทําบุญดูเราจะทําให้ใจอิ่มขึ้นมาเวลาทําบุญเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ไม่ต้องไปซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆมาให้ความสุขกับเรา าของต่างๆที่เราได้มาด้วยความอยากนี้มันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันเป็นยาเสพติดของใจได้มาแล้วมันติดต้องมีอยู่เรื่อยๆได้ไปเที่ยวแล้วก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ไปเที่ยวก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับคนไม่ได้รับประทานอาหารหิวโหวยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรา ให้อาหารกับใจอย่าไปให้ยาเสพติดกับใจเวลาเราอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดเวลาอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นจะต้องมีนี่เรียกว่าเป็นการซื้อยาเสพติดมาเสพสังเกตันะ้มเวลาเราอยากได้นู่นอยากได้นี่เราคิดว่าพอเราได้แล้วเราจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวๆความสุขแบบเสพยาเสพติด เวลาอยากจะเสพยาก็รู้สึกทรมานใจพอได้เสพยาแล้วก็หายทรมานใจแหายเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะเสพขึ้นมาใหม่ mm hmm. เวลาอยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆ mm hmm. ก็เหมือนกัน mm hmm. เวลาอยากแล้วใจมันทรมานพอได้ซื้อของฟุ่มเฟือยได้ไปเที่ยวได้ไปดูอะไรไปทาอะไรทางตาหูจมูกล่นกายแล้ว ถ้าเกิดความสบาย อ, อกสบายใจขึ้นมาชั่วคราวเราเดี๋ยวก็เกิดความอยากความหิวขึ้นมาใหม่นี่คือเราไม่รู้จักหาอาหารให้กับใจแทนที่จะหาอาหารให้เรากับหายาเสพติดให้ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าอยากให้ใจอิ่มลองเอาเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดสิ่งเสพติดเหล่านี้มาทำบุญให้ทานดู ทำแล้วมันจะทำให้ใจเราอิ่มแล้วมันจะลดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นได้แล้วต่อไปเราจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่อยากเที่ยวไม่อยากไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรถ้าอยากจะมีความสุขก็ไปทำบุญดีกว่านี่แหละคืออาหารของใจคือทาน ถ้าเราทำทานเรื่อยๆแล้วใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขใจเรากับร่างกายนี้ต้องการอาหารต่างกันอาหารของร่างกายก็คือกับข้าวกับปลาของขาวของหวานผลไม้ขนมนมเนยแต่อาหารของใจต้องเป็นการให้ให้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นซึ่งให้ได้หลายแบบ ถ้าเราไม่มีเงินทองจะให้เราให้อย่างอื่นที่เรามีถ้าเรามีวิชาความรู้เราสามารถเอาไปเป็นวิทยาทานได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้โดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันเช่นเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สอนเด็กนักเรียนนักศึกษา สอนวิชากวดวิชาให้กับเขาอย่าโดยที่ไม่คิดเงินคิดทองอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่พูดถึงถ้าเราไม่มีเงินทองถ้าเรามีเงินทองแล้วเราจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต้องเอามาทําบุญถึงจะได้ความสุขได้ความอิ่มจริงๆถ้าเอาไปเที่ยวเอาไปกินไปดื่มไปเล่นมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเที่ยวเล่นแล้วก็ติดแล้วก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ ต้องเล่นอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นก็จะมีความรู้สึกเกิดอัดหดเหยียดนำคาญใจแต่ถ้าไปทําบุญแล้วจะอิ่มใจสุขใจนี่แหละคืออาหารของใจขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ถ้าอยากให้มีความอิ่มใจสุขใจขอให้ทําบุญทําทานทํากับใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระอย่างเดียวทำกับ ท, ทำกับใคร ได้ทั้งนั้นพ่อแม่ก็ทำได้พี่น้องก็ทำได้ญาติสามีภรรยาบุตรธิดานี่ถ้าเราให้เขาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขให้เขาเพื่อให้เขามีความสุขจากการให้ของเรานะเราก็จะได้บุญนะเหตุที่เขาให้เลือกให้กับบุคคลเพราะบุคคลที่เราให้นี้มีความรู้ความสามารถต่างกันที่ให้ที่ให้กับพระนี้เพราะว่าพระมี คุณมีประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของการทําความดีช่วยเหลือสังคมนี้ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมได้ดีเท่ากับพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอริยะสงสาวกนี้ท่านเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการความทุกข์ต่างๆได้ท่านทําประโยชน์ได้สูงสุด ประโยชน์ทางไหนก็สู้ประโยชน์ทางจิตใจไม่ได้ประโยชน์ทางร่างกายกับประโยชน์ทางจิตใจนี่ต่างกันประโยชน์ทางร่างกายมันเป็นชั่วคราวเท่าที่ร่างกายอยู่พอร่างกายตายประโยชน์นั้นก็หมดไปแต่ประโยชน์ทางจิตใจนี้มันไม่ได้หมดไปกับร่างกายร่างกายตายไปแล้วประโยชน์ที่จิตใจได้รับก็ยังยังติดอยู่กับใจต่อไปเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตาย เหมือนร่างกายถ้าช่วยทําให้ใจพ้นทุกข์แล้วใจก็จะพ้นทุกข์ไปตลอดไม่มีวันไม่มีความทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าช่วยให้คนที่มีทุกข์อย่างพวกเรานี้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาไม่มีผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องมีพระพุทธเจ้า เามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอังลันตสาวกมาช่วยทํางานต่อถ้าเราส่งเสริมทําบุญกับพระอังลันตสาวกทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ส่งเสริมให้มีคนที่จะสามารถมาสั่งมาสอนมาบอกวิธีของการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่นี่คือการช่วยเหลือการทําบุญแบบที่เลือก ทำบุญนี่ทำได้สองแบบแบบไม่เลือกกับแบบเลือกคือถ้าเรา